พอได้อันทวิบาตอยู่ไปเป็นวันๆพ่อได้ปฏิบัติเรื่องรบกวนมันมีหลายอย่างความหิวความกระหายยาเสพติดกายยสังขารสภาพอันแตกกายมีลมหายใจเข้าออกเป็นต้นก็เป็นยาเสพติดชนิดหนึ่งจนเคยชิน เราจะเลือกเห็นหรือไม่เลือกเห็นก็าตามเมื่อไม่สิ้นลมปราณลมหายใจเข้าออกก็มีอยู่แต่สติปัญญาของเราจะเห็นหรือไม่เห็นก็ไม่ขึ้นอยู่ยเรียกว่ากายสังขารที่นี่มัจจีสังขารการนึกคิดวิตกกับวิจารเป็นวัจจีสังขาร อันนี้ก็เป็นญาเสพติดชนิดหนึ่งส่วนสติปัญญาจะเะลึกเห็นหรือไม่เร ล, ลึกเห็นกว่าตามสภาพของวิจีตรสังขารก็เกิดขึ้นอยู่อย่างนั้นส่วนจิตตสังขารมีเวทนาความสวยอารมณ์ สัญญาความจําสังขารความปรุงแต่งเห็นจิตวิญญาณความรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางธรรมารมเป็นคิตะสังขารกายสังขารวจีสังขาร จัดเข้าในรูปประธรรมจัดเข้าในรูปประธาติจัดเข้าในรูปประขันจัดเข้าในรูปประโลกจัดเข้าในรูปประธรรมจัดเข้าในรูปประอินรี เกิดขึ้นแล้วแปรปวนและดับไปเหมือนกันกายสังขารเป็นของหยาบก็ดับเกิดขึ้นอย่างหยาบแปรปวนอย่างหยาบดับไปอย่างหยาบคือลมหายใจเข้าออกไม่จีสังขารไม่ตกกับวิจาร เป็นพหลกรรมกรรมชินที่วิตกที่วิจารณ์อยู่ก็เกิดขึ้นแล้วแปรปวนและดับไปอีกละเอียดกว่ากันไปอีกส่วนเสภพ้พาอันแต่งกิตตสังขารมีเวทนาทัญญาสังขารวิญญาณเป็นต้นรวมเข้าเป็นกิตตเป็นอาการปรุงแต่งแห่งกิตตสังขาร อันนี้ก็เกิดขึ้นนแปรปวนและดับไปอย่างรวดเร็วเป็นรอบๆตามหน้าที่ของใครผองมันหน้าที่ของกา ย, ยสังขารมีหน้าที่หายใจเข้าออกเมื่อไม่สิ้นลมไปก็หายใจเข้าออกอย่างนั้นสั้นหรือยาวห่อยหรือแรงนั่นแต่เหตุการณ์ของกา ย, ยสังขาร สติปัญญาจะเ ล, ลึกเห็นหรือไม่เ ล, ลึกเห็นก็าตามก็เป็นจริงอยู่อย่างนั้นเมจีสังขารก็เหมือนกันก็เกิดขึ้นแนวแปรปวนละดับไปอยู่เหมือนกันตลอดถึงเปล่งวาจาออกหรือยังไม่ออกกำลังนึกจะพูด ก็เกิดขึ้นแน่แปรปวนระดับไปเหมือนกันจิตตสังขารสภาพอันแต่งกิจไม่สวยเวทนาหนึ่งก็ต้องสวยเวทนาหนึ่งไม่สุขก็ต้องทุกข์ไม่ทุกข์ก็ต้องอุเบกขามุนเวียนเปลี่ยนไปมาอยู่สัญญาความจำ ไม่จำรูปก็จำเสียงไม่จำเสียงก็ยับจำกลิ่นไม่จำกลิ่นก็จำรสไม่จำรสก็จำโผฏฐัพพะไม่จำโผฏฐัพพะก็จำมาธรรมารมมุนเวียนเปลี่ยนไปมาอยู่วิญญาณสังขารจิตตสังขาร ปุงไปทางกุศลบ้างปุงไปทางกลางกลาบ้างปรุงไปทางมรรคภาวนาบ้างที่นี้วิญญาณปุงไปทางวิญญาณทางตา จักคุวิญญาณวิญญาณทางหูตามมาสัมผัสมาโสตะวิญญาณวิญญาณทางแก้มุขานะวิญญาณวิญญาณทางลิ้นคิวหาวิญญาณ วิญญาณทางกายในความอบอุ่นหรือเย็นหรือร้อนหรืออ่อนหรือแข็งมากระทบให้สัมผัสซึ่งแล้วนี่เกิดขึ้นแลกแปรปวนระดับไปตามหน้าที่ของสังขาร ถ้าหากว่าเมื่อมีโมหะมีอวิชชามากนักไปในทางอวิชชาโกหลงยึดถือเอาเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลสิ่งที่ชอบใจก็เป็นกามุปาทาน ถือมันในกามพร้อมทั้งความเห็นเลือกทิฏฐุปาทานบางสิ่งบางอย่างก็สงสัยรูปคล้กคำก็เป็นศีละพัตุปาทานทีนี้ก็ถือว่าตนว่าตัวว่าเราว่าเขาว่าสัตว์แะบุคคลโดยจริงจังทีนี่แล้วก็เป็นอัตวาทุปาทาน อุปาทานทั้งสของสัตว์ทั้งหลายผู้ยังไม่พ้นทุกข์แมอจะรู้ตัวว่าถือหรือไม่ถือก็าตามแต่ก็เป็นการถืออยู่ในตัวเมื่อมีการถืออยู่ในตัวอวิชาก็มีอยู่ในตัวเมื่ออวิชามีอยู่ในตัวโมหะ ก็มีอยู่ในตัวเมื่อโมหะมีอยู่ในตัวตัณหาความทะเยอทยานก็มีอยู่ในตัวเมื่อความทะเยอทยานมีอยู่ในตัวพบก็มีอยู่ในตัวเมื่อพบมีอยู่ในตัว ชาติก็มีอยู่ในตัวเมื่อชาติมีอยู่ในตัวชาลามาลัลนะโอ้โหกรปริเทวาทุกขกกโทมรทัอุปายังก็มีอยู่ในตัวทำตอนไหนสติตอนไหนปัญญาตอนไหนจะมาตัด ทำเหล่านี้ให้ช่างงักกลงหรือให้ห้ามเบรกกลงก็มีไฟอนิจจตาธรรมคำหนึ่งอยู่หนึ่งนิดทุกขตาธรรมคำหนึ่งอยู่หนึ่งนิท อนัตตาธรรมเป็นธรรมอันลุ่มลึกสามารถพอนปนอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในปัจจุบันทั้งอดีต ท, ทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยแต่จะขาดหรือไม่ขาดก็ขึ้นอยู่กับปัญญาอันชัดขึ้นอยู่กับความแยบคายของแต่ละท่านนละบุคคล ลมหายใจเข้าครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งมีทั้งรูปมีทั้งเวทนามีทั้งสัญญามีทั้งสังขารมีทั้งวิญญาณลมหายใจเข้าอ อ, อกครั้งหนึ่งก็เหมือนกั น, กนมีทั้งรูปมีทั้งเวทนามีทั้งสัญญา มีทั้งสังขารมีทั้งวิญญาณส่วนสติปัญญาจะตามรู้ตามเป็นจริงก็เป็นอีกพักหนึ่งอันนั้นจัดเป็นมรรคจัดเป็นตัวศีลจัดเป็นตัวสมาธิอยู่ในตัว ยัดเป็นตัวปัญญาอยู่ในตัวแต่ว่าอยู่ในระดับใดขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลไม่ทั่วไปไม่เสมอเหมือนกัน ที่ตีความหมายว่ารูปเป็นอันใหม่เวทนาเป็นอันใหม่สัญญาเป็นอันใหม่สังขารเป็นอันใหม่มิญญาณเป็นอ <degli> ันใหม่รูปขันเป็นอันใหม่เวทนาขันเป็นอันใหม่สัญญาข <peace> ัน <parfait> เป็นอันใหม่สังขารขันเป็นอันใหม่มนญษย์ขันเป็นอันใหม่ อันหนึ่งเป็นการที่พิจารณาม่ชัดเป็นเงื่อนเก่าทั้งนั้นจะหยาบหรือละเอียดหรือประหนีตสักเพียงไหนก็าตามก็เป็นเงื่อนเก่าเอสะธรมโมสนันตนานพระธรรมเป็นของเก่าที่นี่เมื่อสิ่งทั้งหลาย ทั้งรูปด้วยทั้งเวทนาด้วยทั้งสัญญาด้วยทั้งสังขารด้วยทั้งวิญญาณด้วยทั้งที่ไกลด้วยทั้งที่ใกล้ด้วยทั้งที่อยากด้วยทั้งที่ประณีตด้วยทั้งที่สุขุมด้วยทั้งที่ละเอียดด้วยก็มีความหมายอนเดียวกัน ยกขึ้นสู่อ น, นิจจตาความม่เที่ยงในเป้าอันเดียวกันทุกขาตาความเป็นทุกข์อยู่ในตัวแม้จะมีผู้ยึดถือว่าเป็นทุกข์เรื่อยเป็นทุกข์ก็ตามแต่ความจริงของธรรมเหล่านั้นเป็นทุกข์อยู่ในตัวแล้วยกขึ้นสู่อนัตตาธรรมฝ่ายสังขาร ผู้ภิกาลณาตามเป็นจริงเห็นตามเป็นจริงอยู่พร้อมทั้งลมเข้าออกหมายไว้ในเป้าอันเดียวจะเป็นเป้ารูปก็ตามจะเป็นเป้านามก็ตามดันลงมาเป็นอันเดียวในปัจจุบันจะถอนปัญหาและความสงสัยของตนได้ ในบัญญัติต่างๆหรือในสมมุติต่างๆสีนสมาธิปัญญาและมักควิถีจะรวมลงมาในอันเดียวกันในปัจจุบันจะไม่ได้คว้าหาไปทางอื่น ถ้าจะบรรยายถอยคืนมาอีกลมหายใจเข้าข้างหนึ่ ง, ก, ง ก, ก็มีทั้งความเกิดก็มีทั้งความแก่ก็มีทั้งความเจ็บก็มีทั้งความตายก็มีทั้งความวิโยคพัทภาคพระวิโยคพัทภากักลมเข้าลมออกเพราะมันหลวงไป เพราะมีโยกพัดาพากจากเวทนาชัญญาชังขานวินดานที่มันมาเกยมาพาดแลวล่วงไปจริงแล้วนี่ผ่านอยู่เป็นเนืองนิดความเกิดก็ผ่านอยู่เป็นเนืองนิดไม่ขาดว่าขาดตอนคงเส้นคงวาอยู่ ความแก่ก็ผ่านอยู่เป็นหนึ่งนิดความเจ็บก็ผ่านอยู่เป็นเมืองนิดความตายจากวันเวลาวินาทีก็ผ่านอยู่เป็นหนึ่งนิดทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วย เมื่อพิจารณาสิ่งที่ไม่เที่ยบเป็นอารมณ์อยู่ก็ถูกหมดทั่วทั้งใจโลกธาตุในส่วนนี้ถ้าพิจารณาทุกเป็นอารมณ์อยู่ก็ถูกหมดทั่วทั้งใจโลกธาตุในฝ่ายสังขารที่เป็นทุกข์ทั้งที่มีวิญญาณและไม่มีวิญญาณอันเดียวกันกับอันนีจัง ถ้าพิจารณาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ผู้อื่นไม่ใช่ของผู้อื่นในเงื่อนสี่ก็ถูกอยู่หมดทั่วทั้งใจโลกธาตุในส่วนธรรมะตอนกลางนี้อีกถ้าพิการณาในเงื่อนสองไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราก็ถูกทั้งอดีต ทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันทั้งท่านผู้อื่นด้วยทั้งสัตว์อื่นด้วยทั้งสิ่งที่มีวิญ ญ, ญาณคลองสิงด้วยทั้งสิ่งที่ไม่มีวิญ ญ, ญาณคลองสิงด้วยที่รวมอยู่ในใจลกูกกระทาถ้าพิจารณาว่าไม่ใช่เราสิ่งเดียวเป็นแต่สักว่าสังขารหรือเป็นแต่สักว่าธรรมฝ่ายสมมติ และทำฝ่ายวิมุตเป็นแจสักว่าทำฝ่ายเกิดดับเป็นแจสักว่าทำฝ่ายไม่เกิดไม่ดับก็ถูกหมดทั่วทั้งใจโลกธาตุเป็นมรรคขวิถีอีกเมื่อเป็นมรรคขวิถีก็เป็นผลวิถีอีกเพราะผลแห่งความสิ้นความสงสัยในตอนนี้ จิตในอดีตจิตในอนาคตจิตในปัจจุบันจิตหยาจิตละเอียดจิตระเีจิตในที่ไกลจิตในที่ใกล้จิตในปัจจุบันเป็นแต่สักว่าจิต ไม่มีใครไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของในช่วเวลาขณะพิจารณาก็เรียกว่าวิคัมพะระนปหานในส่วนปัญญาด้วยความสะกดไว้เจเลสก็ไม่รุนแรงที่จะยึดถือว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นศัตว์เป็นบุคคล ตายเป็นแต่สักว่าตายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ผู้อื่นไม่ใช่ของผู้อื่นไม่ใช่ท่านอื่นไม่ใช่ของท่านอื่นมีความหมายอันเดียวกันเวทนาเป็นแต่สักว่าเวทนาไม่ใช่เราไม่ใช่ท่านผู้อื่นไม่ใช่ของผู้อื่นไม่ใช่ของเราอีกด้วยความจํา <inaudible> <ๆ Definitely. S 2> เป็นแต่สักว่าความจํา <mad inequ> ก็ เ, เกิดขึ้นแล้วไปวนแล้ดับไปเวทนาก็เหมือนกันรูปก็เหมือนกันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ผู้อื่นไม่ใช่ของผู้อื่นสัญญาสังขารเวียน ญ, ญาณก็อันเดียวกันคำว่ากาย ก็ดินน้ำไฟลมประชุมกันอยู่เรียกว่ากายธรรมเวทนาก็คือความสวยอารมณ์ทั้งปวงมีสุปทุกอุเบกขาเป็นต้นมีปัญหาสอดเข้ามาว่าพระอารหันต์ท่านติดอยู่ในอุเบกขาหรือไม่ท่านไม่ได้ติดอยู่ในอุเบกขาท่านรู้ตามเป็นจริงของอุเบกขา สุขก็รู้ตามเป็นจริงของสุขทุกข์ก็รู้ตามเป็นจริงของทุกข์แลวไม่ติดอยู่ในสุขและทุกข์อุเบกขาก็รู้ตามเป็นจริงของอุเบกขาแต่พระลรหั น, น, น์ไม่ใช่อุเบกขาในองค์ฌานไม่ใช่อุเบกขาในองค์นิัพานาอุเบกขาที่ถอนอุปาทานแล้วจึงเรียกว่าฉะลังอุเบกขาฉะแปลว่าหก ไม่เหมือนอุเบกขาปุถุชนคนหนาที่ติดอยู่ในองค์ชานและที่กำลังพิจารณาคมจิตของตนอยู่ แยกธาตุสี่ดินแยกออกเป็นดินน้ำแยกออกเป็นน้าไฟแยกออกเป็นไฟลมแยกออกเป็นลมใครเป็นเจ้าของดินใครเป็นเจ้าของน้าใครเป็นเจ้าของไฟใครเป็นเจ้าของลมก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอยู่ตามเดิมไม่ใช่ผู้อื่นไม่ใช่ของผู้อื่นอยู่ตามเดิม แยกกองเวทนากองสัญญากองสังขารกองวิญญาณออกเป็น5กองเป็นแต่สักว่าเวทนาเป็นแต่สักว่าสัญญาความจำเป็นแต่ว่าสังกว่าสังขารความปรุงแต่งแห่งกิจเป็นแต่สักว่าวิญญาณความรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางธรรมารุมคือใจ ก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ผู้อื่นไม่ใช่ของผู้อื่นตามเคยเรียกว่าสังขารศูนย์ในเงื่อนสี่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ผู้อื่นไม่ใช่ของผู้อื่นสังขารศูนย์ในเงื่อนสองไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราสังขารศูนย์ในเงื่อนหนึ่งไม่ใช่เราถ้าไม่ใช่เราเราของเราจะมีมาจากไหน ถ้าไม่พิจารณาอย่างนี้อุปาทานความยึดมั่นถือมั่นไม่มีวันจะสางและหายไปไม่มีวันจะชนะอวิชาความโง่งงหลงๆก็ไม่มีวันจะชนะมัน ที่เรียกว่าโมหะที่เรียกว่าต้นเหตุของสังสารวัฏที่เรียกว่าวัตจักวัตจักก็ว่าสารพั์จะสมมุติเครื่องดองก็ว่า เมื่อไม่อาศัยลมหายใจเข้าออกเป็นบทเป็นบาทแล้วยากจะพอใจพิจกลณนาเพราะเป็นว่าเสือเ้อเสือขาวถึงแม้จะยึดมั่นหรือไม่ยึดมั่นก็นตามก็ต้องอาศัยลมหายใจเข้าออกเป็นที่ตั้งของกองทัพเป็นค่ายเป็นค่ายทหาร ธรรมะอันละเอียดไม่สามารถจะรู้ได้ถ้าไม่ตั้งไว้ในลมเข้าลมออกและก็ไม่สามารถจะตามถึงจิตได้เหมือนกันเพราะกรรมฐานอื่นๆตามอยากตามธุงกิจ ตามถึงเมตนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เหมือนกั น, กนซึ่งเปลี่ยนอาการของจิตตามยะเหตุฉะนั้นภาษาดีบุตรและพระมรมศาสตร า, ศาจึงทรงสัรเสริญอาณาปานาสติยิ่งกว่ากรรมฐา น, อ, นอื่นเป็นมงกุฎของกรรมฐานทั้งหลาย การมฐานสีสน่สิบห้องหรือนอกนอกไปกว่านั้นเป็นเมืองขึ้นของอาณาปานสติเธอเพิ่งพิจารณาความเมติยังหายใจเข้าเธอเพิงพิจารณาความเมติยังหายใจออกเธอเพิงศึกษาว่า เราจะรูดแฉ่งกองทุกในเวลาหายใจเข้ารู้แฉ่งกองทุกในเวลาหายใจออกรู้ความอิ่มกายอิ่มใจในเวลาหายใจเข้าออกรูดทาอันไม่เทียมในเวลาหายใจเข้าออกรูดทาอันดับสนิทพร้อมกับลมหายใจเข้าออกรูดทาอันสลัดคืนพร้อมกับลมหายใจเข้าออก นี่โลทะสัญญารูปความดับไปแห่งกันหาพ้อกบลมหายใจเขาออกเหตุฉะนั้นวะสีหา้าท่านจึงบอกว่าระวังอย่าให้คิดเข้าพวังนะถ้าจิตเข้าพวังแล้วก็ลืมลมเลย ไม่ปรากฏเลยอันนั้นเป็นชาลุนล้วนออกมาแล้วก็มีกำลังเท่านั้นล่ะไม่มีปัญหาไม่มีอุบายเพื่อจะเบื่อหน่ายเพื่อจะคลายเมาในกองน้ำลูกเลยห้าหักว่า จิตของเราไปติดอยู่ที่จิตเด่นดวงก็ไม่ถูกเหมือ น, นกันเพราะมีอุปทานกลายเป็นกามุปาทานไปอย่างละเอียดที่นี่ท่านทุ้พ้นไปแล้วไม่ได้ติดอยู่ในจิตหรือในทธรรมใดทั้งสิ้นและไม่ติดอยู่ในสศูนย์ชิ้นๆอะไรเลยที่ท่านหัดให้จิตติดอยู่ในจิตเด่นดวงที่นี่ ก็เพราะเหตุว่าจะชักชวนให้เข้าสมาธิหรือวิปัชนาจะอาศัยอันนั้นเป็นเครื่องอยู่ถ้าอย่างนั้นจะไม่มีข้อวัดพระผู้ผูู้ยังไม่พ้นถ้าผู้พ้นแล้วไม่ได้ติดเหตุฉะนั้นท่านจึงบัญญัติว่ารูปก็อย่างหนึ่งจิตก็อย่างหนึ่งเจตสิกก็อย่างหนึ่งนิพพานก็อย่างหนึ่งมิจิพานไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่นิพพาน จิตที่เรียนดวงดวงเดียวนั่นน่ะถ้ามีผู้ไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของก็เป็นของมีโทษอีกเหมือนกันเพราะมายังไม่ถึงจาโรโภตินิสโคไม่สลับจิตจิตเป็นไต่สักว่าจิตภิกเจณาการเป็นอารมมา ก, กายนี่ก็สักว่ากายไม่ใช่สมุททคลตัวตนเราเขาเรียกกายยานุกปัา สติกำหนดพิจารณาเวทนาคือสุขทุกข์ได้มาสุขไม่ทุกข์เป็นอารมณ์ว่าเวทนานี่ก็สักว่าเวทนาไม่ใช่สัพุพตคนตัวตนเราเขาเราียกเวทนาปัสนาสติกำหนดพิจารณาใจที่เศร้าหมองหรือผ่องแผ้วเป็นอารมณ์ว่าใจก็สักว่าใจไม่ใช่สัพุพตคนตัวตนเราเขาเราียกจิตตานปัสนาสติกำหนดพิจารณาธรรมที่เป็นกุศลหรืออกุศลที่มเกิดกับใจเป็นอารมณ์ว่าธรรมนี่ก็สักว่าธรรมไม่ใช่สัพุพตทศ ไม่ใช่สัตวบุทคนตัวตนเราเขาเรียกธรรมมาหรือปัฒนานยกลงสู่อนัตตาทำหมดถ้าอย่างนั้นอุปทานไม่มีมันจะถอนออกได้